RMUT Talk สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ RMUT Talk ทกครับกับผมปียพงษ์เคนทวายครับทำหน้าที่ดาเนินรายการในวันนี้นะครับประเด็นการพูดคุยนะครับมาจากทางด้านของอพวชหรือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับประเด็นการพูดคุยในวันนี้ครับจตุรัต วิทยาศาสตร์จามจุรีสแควร์แล้วท่านบอกว่าอ้าวมีที่นี่ด้วยหรืออย่างไรแล้วท่านก็บอกว่าเอ๊ะมีประเด็นของการแชร์ข้อมูลกันอยู่พอสมควรซึ่งนั่นก็เป็นข้อมูลเก่านะครับมาจาความรู้จักและก็มัอัปเดตข่าวของ จตุรัฐวิทยาศาสตร์จามจุริสแควร์กันสันิดหนึ่งว่าตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรและสิ่งที่เขามีการแชร์กันไปนั้นจริงหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรระวินระวิวงศ์นะครับผู้มีการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับตอนนี้ท่านผู้มีการอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้มีการครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาเริ่มต้นกันกับคําความรู้จักกันสันิดหนึ่งดีกว่าฮะจตุรัวิทยาศาสตร์จามจุรีสแร เป็นอีกที่หนึ่งฮะของทางอวชตรงนี้มีการเตรียมนําเสนอหรือมีการจัดเตรียมบริการอะไรไว้ให้กับคนที่จะเข้ามาเยี่ยมชมงานของอวชครับครับสำหรับจัตุรัสวิทยาศาสตร์นะครับที่จางฟิลิสแควร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้ของอวชนะครับเรามีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อยู่ที่คลองห้าปทุมธานีนะครับแล้วก็เรามีจัตุรัสวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่ที่จางฟิลิสแควร์ซึ่ง แนวคิดของจตุรัสวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ในเมืองอ <Okay. S 2> ครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ที่คลองห้าก็คือว่าที่พิพิธภัณฑ์ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเน้นทางด้านการทํากิจกรรมต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เราพบในชีวิตประจําวันนะครับเช่นเรื่องการสัมผัสการมองเห็นเรื่องไฟฟ้าอะไรต่างๆ นะครับก็จะแตกต่างจากาพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งเป น, นนิทรรศการครับอืแสดงว่าถ้ามาตรงจัตุรัสวิทยาศาสตร์ตรงจาน ร, รีสแ qua ร์เองเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นเป็นแบบศูนย์วิทยาศาสตร์ย่อมๆเล็กๆแต่ได้มีโอกาสได้สัมผัสอินเทอร์เรกทีฟกับสิ่งที่ไม่จัดแสดงอยู่ตรงบริเวณนั้นอ่าถูกต้องครับเราก็จะมีนิทรรศการด้วยนะครับแต่ว่าความาจุดมุ่งหมายหลักของเราก็คือว่าอยากให้มีกิจกรรมนะครับเยอะๆ นะครับนิทรศการเราก็มีนะครับอย่างเช่นนิทรศการบทเรียนในความมืดนะครับหรือว่า Dialog อกอินเดอร์ดันะครับที่เป็นนิทรศการที่เรานําเข้ามาจากเยอรมันนะครับซึ่งเป็นนิทรศการที่รับความนิยมทั่วโลกนะครับมีถึง34ประเทศทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นนิทรศการที่ผู้เข้าชมจะได้เข้าไปสัมผัสนะครับกับบทเรียนในความมืดก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าลองดูว่าถ้าเรามองไม่เห็นถ้าเราเป็นคนตาบอดเนี่ย นะครับเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นนิทรรศการที่ที่น่าสนใจมากๆทีเดียวครับอืมแสดงว่าตัวนี้คือถ้านิทรรศการเรียนบทเรียนในความมืดเองเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีการจัดแสดงอยู่อ่าใช่ครับใช่ครับครับผมสําหรับคนที่เข้ามาถ้าจะไปเรียนรู้หรือเข้าไปชมนิทรรศการบทเรียนในความมืดเองนี้เหมาะกับวัยไหนยังไงบ้างฮะเออจริงๆผมว่าเหมาะกับ ทุกเพศทุกไปนะครับแต่ว่าเด็กโตหน่อยก็จะได้ได้ประโยชน์นะครับมผมคิดว่ามต้นขึ้นไปเนี่ยจะได้ประโยชน์มากกว่า ค, คือที่เด็กเล็กเนี่ยเขาก็อาจจะอาจจะกลัวนะครับกลัวความมืดนิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่ า, าทุกคนได้ประโยชน์นะครับหลายๆที่นะครับแม้แต่บางบริษัทเนี่ยก็ใช้นิทรศรการ d ด a l ลอ u ิน n the Dark ของเราเนี่ยในการทำทีมบิลดิ่งนะครับในการที่จะจัดเป็นกิจกรรมเพื่อที่จะ ลายพฤติกรรมกันนะครับก็ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับนอกจากการเรียนรู้ชีวิตใ น, ใ น, ใ, นในความมืดแล้วนะครับครับผมในข้อมูลนี้บอกว่าการเข้าชมจะได้สัมผัสกับเจ็ด บ, บทเรียนในความมือดอันนี้หมายมาเป็นเจ็ดโซนใช่ไหมฮะแต่ละฐานแต่ละฐานไปจนถึงฐานสุดท้ายคือฐานที่7ของทังนิศการาตัวนี้ ครับใช่ครับก็คือเราก็จะเริ่มนําชมนะครับเป็นโซนต่างๆนะครับการเข้าชมนี้ก็จะมีมีไกด์นะครับซึ่งไกด์นี้ก็เป็นเป็นคนตาบอดจริงๆนะครับเขาก็จะนําชมนะครับก็จะมีตั้งแต่เริ่มให้ปรับตัวเข้ากับความมืดนะครับเข้าไปลองดูว่าในาการเดินในสวนเป็นยังไงการเดินในตลาดในย่านชุมชนต่างๆนะครับเป็นยังไงก็ เดี๋ยวอยากจะให้เข้าไปสัมผัสด้วยตัวเองดีกว่าอคือจะเป็นต้องปิดตาไหมฮะหรือต้องคือสามารถเข้าไปไม่ไม่ต้องนะครับอ๋อเดินเข้าไปในเข้าไได้เลยแล้วก็ครับแล้วก็เวลาเข้าไปในความมืดในในในเทศกาลนี้เราก็จะแนะนําให้หลับตาครับนะครับเพราะปกติเอ่อถ้าปกติคนปกติเนี่ยถ้าถ้าอยู่ในความมืดเราก็พยายามจะเพ่งสายตามากขึ้นนะครับตาเราก็จะล้าได้นะครับเพร่าหลับตาคือมองไม่เห็นอยู่แล้วอะครับไม่ว่าจะลืมตาหรือหลับตานะครับก็หลับตาซะดีกว่า ครั บ, รบผมนอกจากกิจกรรมบทเรียนในความมืดแล้วยังมีกิจกรรมเรื่องของการเรียนวิทยาศาสตร์อะไรเพิ่มเติมมีไหมครับอ๋อครับอย่างที่อย่างที่เรียนไปนะครับด้วยด้วยด้วยคอนเซป ต, ต์ของการทํำสัตว์วิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือเป็นสถานที่ที่เน้นกิจกรรมนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราจัดมาก็จะเป็นกิจกรรมที่เสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีสายนั่นแหละนะครับซึ่งก็เป็นห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับน้องๆหรือว่าผู้เข้าชมเนี่ยก็จะเข้ามา ได้ทดลองนะครับทางวิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำด้วยตัวเองนะฮะเป็นเป็นแฮนด์สออนนะครับเราก็มีไซส์โชว์นะครับก็เป็นการแสดงทางวิทยาศาสตร์นะครับที่น้องๆจะได้เรียนรู้แล้วก็สนุกสนานนะครับได้ความรู้พร้อมกับความสนุกไปด้วยนะครับจากไซส์โชว์นะครับเรามีอีกกิจกรรมหนึ่งที่เรียกว่าเม k เกอร์สเปนะครับอันนี้จะเป็นการต่อยอดจาก s เตม นะครับ STEM education นะครับก็เอาเรื่องของวิทยาศาสตร์บรูรณาการกับเทคโนโลยีบูรณาการกับวิศวกรรมและก็คณิตศาสตร์นะครับก็สร้างผลงานเป็นชิ้นงานขึ้นมาแล้วก็เอามาเรียนรู้เอามาทดลองกันนะครับเราก็ยังมีเอาหลากหลายกิจกรรมมากเลยครับเรามีกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งนำเข้ามาเมื่อสักต้นปีนี้นะครับเราเรียกว่า Engineering is Elementary นะครับหรือว่า EIE อันนี้เราพัฒนาหลักสูตร นะครับขึ้นมาพร้อมๆกับาทาง Museum of Science ที่ b o s t o นนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรวิศวกรรมสำหรับเด็กปฐมปลายนะครับก็เป็นการเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาโดยกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมนะครับซึ่งหลายๆกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าก็สนุกสนานและก็ได้ความรู้ได้แรงบันดาลใจไปด้วยครับ ครับผมนี่คือกิจกรรมต่างๆส่วนหนึ่งที่มีการจัดขึ้นที่จัตุรัวิทยาศาสตร์จาม จ, รจุริส์โอเคนะครับทพอครับมีข่าวกระแสออกมาบอกว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการพูดถึงว่าจัตุรัสวิทยาศาสตร์จามจุริ quare จะปิดตัวลงในปี2562ข่าวนี้มีที่มาที่ไปยังไงจริงหรือไม่จริงยังไงให้พ่อออที่ชี้แจงชนิดนึงครับอ๋อครับคือข่าวนี้จริงๆต้องเรียนว่าเป็นเป็นข่าวเก่าแล้วนะครับ ซึ่งจริงๆทางอปชเองต้องขอขอบคุณนะครับผู้ผทีใ่ให้ให้ความห่วงใ ย, ยกับเราว่ากลัวว่าจะไม่มี อ, อะไรนะจตุรัสวิทยาศาสตร์หรือว่าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในเมืองที่ดีๆนะครับแหล่งเรียนรู้ดีๆในเมืองอันนี้ต้องเรียนว่าเร า, เาไม่ได้มีแผนที่จะปิดนะครับในปี62นะครับเราก็ยังได้รับการสนับสนุนาจากรัฐบาล น, นะครับให้ดําเนินการโครงการในลักษณะนี้ต่อไปนะครับคือรัฐบาลทุกรัฐบาลก็เห็นความสําคัญ ของการศึกษาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมาทุกยุคทุกสมัยนะครับแล้วก็ต้องข อ, อยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าจัตุรัสวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็ยังจะอยู่คู่กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับเราเองเนี่ยก็มีแผนที่จะขยายนะครับจัตุรัสวิทยาศาสตร์ไปยังจังหวัดต่างๆด้วยนะครับโดยจะเริ่มที่เชียงใหม่และก็นครราชสีมาครับ ก็ถือว่าสิ่งที่มีการแชร์ป้ายนี่ยังไม่เป็นความจริงนะครับเป็นข่าวเก่าแต่ว่าที่นี่ยังอยู่เหมือนเดิมให้บริการกับทุกท่านเหมือนเดิมนะครับสในปีใหม่นี้นะฮะทางจตุรัสวิทยาศาสตร์จารุรีสควายเองมีโปรเจกต์มีกิจกรรมอะไรต้อนรับน้องๆในช่วงปีใหม่ไหมครับครับก็ในช่วงของปีใหม่นี้นะครับเราก็จะมีนิทรรศการใหม่เข้ามาสองชุดนะครับก็จะเป็นนิทรรศการที่เกี่ยวกับภาพถ่ายนะครับจากโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์หรือว่าโครงการวิดติลเลน ครับซึ่งตรงนี้จะเป็นผมว่าเป็นกิจกรรมหนึงที่น่าสนใจมากก็จะช่วยดึงๆน้องๆที่มีความสนใจทางด้านการถ่ายภาพนะครับเข้ามาชื่นชมภาพผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ใกล้ๆ ต, ต, ตัววิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวันนะครับแล้วเรากําลังจะนํานิทรศกา ร, รที่ได้รับความสนใจมากจากทางที่เราไปจัดอมากา ร, รมวิทยาศาสตร์นะครับก็คือนิทรศกา ร, รที่เกี่ยวกับวิกฤตขยะนะครับหรือว่า waste global challenge นะครับเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจแล้วก็มีความตระหนักเกี่ยวกับความสําคัญของการจัดการขยะนะครั บ, รบ เ, เป็นการเดินทางของขยะเป็นเรื่องของการที่เราจะาจัดการกับขยะนะครับได้รูปแบบไหนบ้างแล้วก็สร้างช่วยสร้างจิตสำนึกนะฮะให้กับเด็กๆและก็เยาวชนนะครับสําหรับในช่วงปีใหม่นะครับเรามีกิจกรรมนะครับที่จะมอบให้กับทางน้องๆ น, นะครับเป็นของขวัญปีใหม่ นะครับก็คือสำหรับที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์นะครับตั้งแต่วันที่22ธันวาคมถึง5มกราคมนะครับเราจะเปิดให้น้องๆได้เล่นกิจกรรม Maker Space นะครับได้ได้ฟรีนะครับไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับอ่เป็นสองกิจกรรมแล้วก็มีกิจกรรมที่เชิญชวนด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างบอกว่า22ธันวาคมถึง5มกราคมเป็นการยกเว้นเก็บค่าเข้าชมด้วยใช่ไหฮะ ค่าเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่คลองห<อ>้าอครั บ, รบที่จารจริสแควร์เนี่ยเราเราไม่ได้เก็บค่าเข้าชมอยู่แล้วคอครับผมก็คือที่แต่ว่าจะเก็บจะเก็บค่ากิจกรรมค่าร่วมกิจกรรมรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วง22ธันวาถึง5มกราคมเนี่ย เราก็จะฟรีสําหรับกิจกรรมเมกเกอร์ครับอืมครับผมอ้าวสนหรับคนในจัตุรัส<น>วิทยาศาสตร์ครับผมสรับคนไหนที่อยากจะไปเยี่ยมชมไปดูบรรยากาศของอ่าจัตุรัสวิทยาศาสตร์ที่นี่ต้องไปที่ไหนยังไงเวลาไหนที่เปิดให้บริการบ้างครับถ้าจัตุรัสวิทยาศาสตร์นะครับตั้งอยู่ที่ชั้นสี่นะครับของอาคารจัตุรัสจามจุรีหรือว่าจามจุรีสแควร์นะครับที่สามย่างนะครับถ้าใคร จะเดินทางโดยรถโดยสารสาธารนะก็แนะนำให้มาทางรถใต้ดินนะครับ MRT สถานีสามย่านนะครับหรือว่าถ้ามาง่ายๆคือรถประจำทางสายไหนที่มาถึงจุฬานะครับก็สามารถที่จ ะ, ะเดินนะครับต่อมาที่อาคารจามจุริสแควร์ได้นะครับเวลาทำการของเราก็เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันหยุดนะกขัตฤก์ก็เปิดตามที่ อ่าอ่าสิบโมงครึ่งนะครับถึง6กโมงครึ่งนะครับเวลาก็จะเหลื่อมกันนิดหนึ่ง ค ร, ครับผมอ้าวก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เชิญชวนด้วยแล้วก็ชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการแชร์ข่าวที่สร้างความตื่นระหนกใจอีกหลายๆท่านอยู่พอสมควรนะฮะแต่ส่วนหนึ่งเองยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มีกิจกรรมมาฝากเชิญชวนผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ยังมีกิจกรรม ต, าต่างๆมากมายให้มาเยี่ยมชมที่จตุรัสจามจุรีสแควร์นั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุ ณ, ณท่านผู้บริการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรระวินระวิวงศ์นะครับที่ร่วมพู นี่คือเรื่องการคุยกันนะครับกับจัตรุรัสวิทยาศาสตร์จามจุรีสแควร์ในวันนี้นะครับเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้ผมปิยพงศ์ไกนได้วายพรพ้อมทีม ง, งานต้องรัอหลาการบรรยากรช่วงหน้าติดตามรับฟั ง, งรายการจากราชชโงงคนอันยิบรีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ